อู่ไหมจิตมันอยู่กับลมไหมลมเคยดูมันไม่ลมอะ่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกอพุทเข้าไปโทออกมาออกมาพุทโทพุทโทพุทโทพุเป็นเรื่องพุทโทพุทโทเป็นเรื่องของจิตเป็นพูดดําริลมเป็นเรื่องของกาย ลมนี่เป็นกายนะลมเนี่ยเป็นธาตุปรนเปือกายกายสังขารลมนี้เป็นกายสังขารลมไม่ใช่ชีวิตชีวิตไม่ใช่ลมลมเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของชีวิต ชีวิตคือความมีอยู่ของสังขารของร่างกายดินน้ำลมไฟเป็นส่วนประกอบของชีวิตร่างกายไม่สมประกอบธาตุดินบกพร่องธาตุน้ำบกพร่องธาตุลมบกพร่องจัดดินธาดน้ำธาตุลมธาดไฟแต่ละอย่างแต่ละอย่างบกพร่อง ชีวิตนี้ก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าชีวิตขาดลมไม่เข้าไม่ออกเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกก็แสดงกับชีวิตหมดสภาพตายไฟมีอยู่ก็พลอยค่อยๆพลอยดับไปด้วย น้ำมีอยู่ระบบระเบียบของมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยดินมีอยู่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยเพราะลมนี่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความมีอยู่ของชีวิตแต่ก็ไม่ใช่ มีความสําคัญเป็นเอกเทศของตัวเองเป็นส่วนประกอบเราดูลมเพื่อให้จิตของเราอยู่กับลมเราจะเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่ามันเย็นในท้องรู้สึกว่ามันสบายในท้องรู้สึกว่ามันเ อ, อิบอาบซึมซาบในท้อง มันได้รับปีติเร็วได้รับความสุขเร็วได้รับความสงบเร็วมันได้ความสงบด้วยมันได้ปัญญาด้วยเป็นงานที่พระพุทธเจ้าท่านจับวันที่โปง่งตรัสรูนะ้หลังจากนู้นสมัยเป็นพระรจุคุมารเจริญอนาปานสติพองมาเจริญอีกครั้งหนึ่งวันจะตรัสรู้นะวันนั้น เรื่องานาปานสติไปสักพักหนึ่งแต่จิตของพระองค์ก็สงบแน่วอยู่แล้วแหละผ่านรูปประจานอรูปปัจจานรปานูรปปัสามาบัติอรูปสามาบัติเรื่องความสงบจึงไม่ใช่อุปสรคพระองค์กําหนดแน่วเลยแหละยานพร้อมจะเกิดขึ้นกําหนดปับ๊บแนวยานพร้อมจะเกิดขึ้น คำว่ายานก็คือญาทัศสนาเนี่ยแหละเห็นตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงมาลูกตาทัานเทพเมื่อกี้เนะนี่ยยถาภูตังญาณทัศนังรู้เห็นทัศน์คือรู้เห็นญานณทัศนาคือทั้งรู้ทั้งเห็นไม่ใช่มีแต่เห็นไม่มีรู้มีแต่รู้ไม่มีเห็นทั้งรู้ทั้งเห็น เหมือนตาเราเห็นเฉพาะหน้าเราเนี่ยเห็นด้วยรู้เข้าไปที่จิต ด, ด้วยที่เรียกท่านเรียกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นมันมีอยู่จริงยังไงเป็นจริงยังไงก็รู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอี๋จะเรียกว่ายะถาภูตังรู้เห็นตามเป็นจริงรู้เห็นญาณทัศนะรู้เห็นตามเป็นจริง ในปฐมยามพระองค์จึงได้ยานด้วยปุเพในิวาส า, สานสติญาณรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นธรรมกลางจตูปปัติยานรู้เห็นตามเป็นจริงสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงปัจฉิมยามปัจฉิมยามเห็นตามเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งว่าอาสะวะทั้งหลายในหัวใจนีหมดสิ้นไปอาสะวะเหยญาณ บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธะอุททานออกพอใหจละพอละพอละพอใจล ะ, พ อ, ละพอใจล ะ, จละสมใจละพอใจละดีละเลิศละประเสริฐแล้วหมดงานแล้วไม่ต้องสแสวงหาอีกแล้วจบพรหมจรรย์แล้วงานอื่นที่จะทําให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพร้อมต้งรู้พร้อมต้งเห็น กิเลสตัณหาในหัวใจมันเคยแล็บเลเลเหมือนไฟที่ปลายปล่องไฟนั่นแหะมันดับไปแล้วมันหมดไปแล้วว่าะเพาะล้างเอาผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละชะไปชะมาล้างไปล้างมาชะไปชะมาล้างไปล้างมาเห็นไปเห็นมาขัดไปขัดมาเห็นต้นต่อเห็นสาเหตุของมันกระดับก็บหมดก็ว่ารื้รื้อรื้ขุดขุดขุดขุดดึงราก รากเล็กรากใหญ่รากเงารากแก้วรากฝอยรากแขนรากอะไรขุดไปดึงออกขุดไปดึงออกขุดไปดึงออกหมดรากแก้วหมดรากแขนหมดรากฝอยมันต้นไม้ต้นนั้นมันก็หมดสภาพไปเองต้นไม้คือต้นอวิชาเนี่ยมันหมดสภาพไปเองรากฝอยก็ขุดออกรากแก้วก็ขุดออกนี่คือการสาวเข้าไปสาวเข้าไป สาวเข้าไปข้างในสาวเข้าไปข้างในพิจารณาขุดคุยขุดค้นเอาอะไรมาขุดมาคุยเอาอะไรมาขุดมาค้นก็เอาสติเอาสมาธิเอาปัญญานี่แหละมาขุดมาคุยมาขุดมาค้นย้อนกลับไปย้อนกลับเข้าไปย้อนกลับเข้าไปย้อนตามันไปย้อนตามันไปเหตุที่จิตสงบอย่างเดียวกิเลสเข้าแทรกไม่ได้ความรู้ก็เป็นความรู้ที่แจ้งชัด เป็นความรู้ที่สว่างเหมือนโ่อยู่เฉพาะหน้าดึงงานนั้นออกดึงงาน น, นนี้ออกก็เหมือนอย่างเราทํางานเราคัดตัว น, นั้นออกคัดตัว น, นี้ออกคัดตนนนัว น, นั้นออกคัดตัวนี้ออกมันก็สามารถคัดได้เลือกได้เราพูดได้แต่เป็นเพียงอุ ป, ปมาเท่านั้นแหละเราดูไปที่จิตของเรากิเลสคือตัณหาคือความอยากมันเกิดขึ้นเราดูเห็นไหมเราดูดูให้เห็นพยายามดูให้เห็นตัณหาที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรา เวลามันเกิดมาเพล็บเดี๋ยวมันบังแล้วให้จิตของเราเนี่ยมืดแล้วแหละเป็นอวิชชากลายเป็นอวิชชาเงาของมันเนี่ยบังครอบจิตของเราเนี่ยเคยมองเห็นอะไรเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดก็มองไม่เห็นเคยเห็นเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องตุเรื่องต่งตางก็มองไม่เห็นเพราะมันถูกอานันมันบังขึ้นเพล็บมันบังขึ้นเพลบมันบังมันมีอํานาจนะเจ้าตันหาเนี่ย มันมีอํานาจาดึงจิตเอาไว้ในโลกมันลงตาทําาโลกดึงดูดโลกดึงดูดอโลกที่เป็นวัตถุมันก็ดึงดูดวัตถุโลกที่เป็นนามนธรรมคือกิเลสในหัวใจมันก็ดึงดูดกิเลสในหัวใจของเราดึงดูดพลังดึงดูดของมันก็คือพลังตัณหานั่นแหละพลังอวิชชาพลังตัณหา พอมันเกิดเพิบขึ้นมาเลยน่ะอวิชาตันหาปปาทานภพชาติเกิดขึ้นพร้อมเรียงไล่กันมาเลยแหละเพิบเดียวไม่ต้องมาเรียงหนึ่งสองสามสี่แลเพิบเดียวเกิดพร้อมกันลมนดึงดูดโ ล, โลกภายนอกมันดึงดูดอสิ่งที่อยู่รอบข้างดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็ดึงดูด เห็นไหมโลกของเราเนี่ยเป็นบริวารของโลกของดวงอาทิตย์โลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์เห็นไหมมันนึงดูดไหมแต่ด้วยเหตุที่มันหลุดออกมาแล้วมันก็ยังมีพลังดูดอยู่ทําให้โลกเนี่ยต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์หมุนรอบไปเรื่อยออกไปจากวงจรนี้ไม่ได้เพราะมันถูกพลังแพลดวงอาทิตย์ดึงดูดเอาไว้ดวงจันทร์หลุดออกไปจากโลกไหมด้วยเหตุที่มันใกล้โลก มั ก, กหมุนรอบโลกเราเไมดวงดาวทั้งหลายมันหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นดวงอะไรมากมายเยอะแยะอยู่บนโลกอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเดือนมืดก็ไปเงยดูกันแล้วกันแหละไม่วาดไม่ไหวนับไม่วาดไม่ไหวแสงระยิบระยับแสงในตัวเองบ้างแสงสะท้อนจากโลกบ้างแสงสะท้อนจาก ดวงจันทร์บ้างแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์บ้างทำให้ดวงจันทร์ดวงนั้นระยับระยับระยับระยับนี่เป็นวัตถุเป็นโลกวัตถุวัตถุนี้คือเป็นธาตุเป็นธาตุดินที่มีอยู่ในโลกเป็นของมีอยู่ในโลกเป็นของประจําโลกคนเราเกิดมาในโลกก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องดิดนน้ําลมไฟมาเกี่ยวข้อง ถ้าให้เรามีรูปธปรรมนนะีรูปธรรมของเราก็คือดินน้ามลมไฟแต่หากมันมาเกาะกลุ่มกันได้ด้วยอำนาจของกรรมกรรมมากับจิตนะกรรมนี้มากับใจใจเป็นผู้คาบกรรมเป็นผู้หอบหิ้วกรรมเป็นผู้อมกรรมเต็มแพร่มาอยู่ในหัวใจเต็มหัวใจกรรมนี้มีอะไรเป็นภาชนะใส่ ตันหาอุปาทานเป็นภาชนะเป็นหม้อเป็นไหที่มันหอบหิวมามันใส่มาตราบใดที่ย <mind>. ังมีตันหายังม <mod els mod els> <mod els> <mod> <mod els> ีอุปาทานตราบใดยังมีตันหาตราบนั้นก็ยังมีอุปาทานตราบใดหมดตันหาตราบนั้นหมดอุปาทานถูกทาลายหมดอุปาทานจึงเป็นเครื่องจากัดเป็นเครื่องขัง เราจะว่าตันหาเป็นผู้จำกัดเป็นผู้ผู้ขังก็ได like> ้เราจะว่าตันหาปาทานเป็นผู้จำกัดเป็นผู้ขังก็ได้เราจะว่าภพเป็นผู้จำกัดเป็นผู้ขังก็ได้เราจะว่าชาติเป็นผู้จำกัดเป็นผู้ขังก็ได้ขังความทุกข์ขังกองทุกข์เราจะว่าอัตภาพร่างกายเป็นผู้ขังก็ได้มันว่าได้ทั้งหมดเพราะต้นตอของมันมาจากอวิชชา ตันหาอาวิชชาไม่ใช่เกิดขึ้นลอยลยตันหาไม่ใช่เกิดขึ้นลอยลยทิฏฐิภูตังทิฏฐิภูตังะที่หลวงปู่มั่นทันเทศน่ะทิฏฐิภูตังอวิชชาอาวิชชาความไม่รู้มีที่ตัง้งทิฏฐิภูตังข้มามัเนี่นยแหละ ทิฏฐิผู้ตั้ง OD ตันหามีที่ตั้งตันหามีที่ตั้งอวิชามีที่ตั้งอวิชาคืออะไรชีไช้ไปชี้ไปที่ชี้ไปก็เจอที่ตั้งของมันนะที่ตั้งของมันนะคือผู้รู้คือธาตุรู้เนี่ยแหละธาตุรู้คืออะไรก็คือใจของเราเนี่ยแหละใจของเราคือทิฏฐิผูตัง ทิฏิผู้ตัง้งฐานที่ตั้งของอวิชชาคือใจของเราเนี่ยแหละอวิชชามันเกิดจากใจของเรามันเกิดที่ใจของเราใจของเราไม่บริสุทธิ์เห็นไหมเดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่ชะล้างจิตของตัวเองให้บริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์นั่นแหละมณทินของมันก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสเป็นมณทินของมันเป็นสิ่งเคลือบแฝงเข้ามาด้วยกับผู้รู้ชะ ผู้รู้ให้บริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงจากสิ่งเหล่านี้ตราบใดผู้รู้ยังมีกิเลสเป็นสองกลายเป็นสังขารกลายเป็นอวิชชากลายเป็นตัณหากลายเป็นอุ ป, ปาทานกลายเป็นภพกลายเป็นชาติเกิดมาชาติหนึ่งแก่เจ็บตายหมดไปภพหนึ่งเกิดอีกตายแล้วไม่หมดไม่สูญ จิตใจไม่แก่ก็จริงครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเทศจิตใจไม่แก่จิตใจไม่แก่ถ้าเราจะว่าแก่ก็ได้จิตใจมีบุญมากจิตใจก็แก่บุญจิตใจมีบาปมากจิตใจก็แก่บาปมันแก่บุญแก่บาปจิตใจมันแก่ไม่เป็นผู้รู้แก่ไม่เป็น แต่ถ้าหากชะล้างหมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วผู้รู้ดวงนั้นไม่มีแก่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่เป็นสองเป็นหนึ่งเดียวดำรงตนอยู่ในภาวะที่บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีที่จำกัดไม่มีเวลาจำกัดร่อยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรไปจำกัดพวกเราที่เราเกิดมานี่เรามีพบจำกัด เราเกิดในโลกมนุษย์หนึ่งคือโลกมนุษย์นี่แหละมันจำกัดเราไวมีเวลาจำกัดคืออายุไขเท่านั้นปีเท่านี้ปีไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมดาวดาวดึงยามาก็จะาตุมดาวดึงยามาแต่ละชั้นแต่ละชั้นนั่นแหละมันจำกัดเราแต่ละชั้นมันก็มีอายุไม่เท่ากันยืดยาวไม่เท่ากันเพราะคุณสมบัติของจิตที่จะไปบัติแต่ละพบนะ่ะไม่เท่ากัน คุณสมบัติไม่เท่ากันละเอียดขึ้นไปอีกก็สูงขึ้นไปอีกอายุก็ยืนขึ้นไปอีกสงูงก็ไปอีกอายุก็ยืนขึ้นไปอีกมีอายุจำกัดมีที่เกิดจำกัดไปเกิดตามบุญตามกรรมเกิดที่ไหนก็อายุจากัดก็ยังนั้นไปเกิดเป็นยุงอายุกี่วันนั่นแหละจำกัดแล้วเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นสุนัข อายุกี่ปีจำกัดนั่นนะอายุจำกัดแล้วพบชาติของมันจำกัดแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ อ, อายุจำกัดแม้แต่ไปเกิดสูงๆนู้นที่เขาเรียกว่าโลกของพระพรหมเที่ยงเที่ยงเที่ยงก็เพราะตีบตันด้วยสติด้วยปัญญาพวกพรามเขาบอกว่าพระพรหมไม่เที่ยงพระพรมหมล้องตัวเองว่าตัวเองเที่ยงไม่แก่ ไม่ตายเพราะฉะนั้นโลกของพระพรหมจึงเป็นโลกนิพพานของพราหมเวลาเขาประกอบกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงบวงสวงอ่ อ, อนวอนสารพัด ท, ที่เขาบำเพ็ญต้องการให้จิตได้รับความสงบสงบแล้วจะได้เข้าไปอยู่กับพระพรหมเขาสอนอัตตาอัตตาสอนอัตตาอัตตาของเขานี่เขาก็ว่าซุ่มเดาแล้วก็ว่าเอาไปอย่างนั้นแหละ อัตตาของเขาคือพูคือจิตนี่แหละก็ว่าเป็นอัตตาให้จิตในระความสงบเมื่อสงบแล้วจิตจะไปรวมเป็นอัตมันเป็นปรมาตามันเป็นปรมาตามัน อ, อยู่บนพรหมนั่นไปเที่ยงอยู่บนพรหมนั่นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าพรหมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยโลกพระพรหมน่ะมันจากัดในเมื่อมีโลกจากัด มันก็มีเวลาจํากัดอรู ป, ปปรมเนี่ยแปดหมืนสี่พันกับเนี่ยมันก็หมดไปวันคืนลงไปก็หมดไปหนึ่งกับมันก็หมดไปได้ดูแต่พระกุติเจ้าของเราเนี่ยสร้างบารมีมาเป็นอสงไขยอสงไขยมันก็หมดไปได้อายุมก็หมดไปได้อสงไขยอสงไขยแค่8ปดหมี่พันกับมันยังไม่ถึงอสงไขยซํามันยังไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งอสงไขย ที่พระโพธิสัตว์ท่านสร้างบารมีเนี่ยสอสงไข่นี่อันนี้ก็บสร้างสร้างระยะเวลาสั้นสอสงไข่แสนมหากับไอแสนมหากรับกับ8ปดหมสี่พันกรัปดูทีมันยังไม่ถึงหางของท่านโดยซ้ําไปวันคืนลงไปวันคืนลงไปมันก็หมดจนได้พรหมเหล่านั้นหมดจนได้หมดแล้วก็มาบัตในโลกมนุษย์ สมัยพุทธกาลพุทธเจ้าท่านท่านทรงตรัสทั้งหลายคนที่มาจากพรหมโลกมาเกิดเช่นอย่างพระมหากระสปะกนีนางพัทธกาปิลาณีเนี่ยเป็นสัตว์ในพรหมโลกมาเกิดพวกนี้ไม่มีความรู้สึกทางเพศเพราะพวกพรหมเขาไม่มีเพศไม่มีไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชาย พ, พระพรหมแต่เราจะเห็นในรูปเห็นลักษณะเหมือนเป็นผู้ชายทั้งหมด พระพรมไม่มีเพศพระพรหมเพราะฉะนั้นพระมหากัจจปะกับนางพัทธกาเปลานีเนี่ยแต่งงานกันแล้วไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยไม่มีความกำหนัดยินดีเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวกันตั้งแต่พ่อแม่จับไปแต่งงานด้วยกันไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวกันพระมหากัจจปะกับนางพัทธกาเปลานี ท่านเป็นลูกของนายบ้านพระมหากษัตริย์คนขึ้นกับนายบ้านคนนี้สิบหกตำบลนะคิดดูที่สิบหกตำบลดูแลปกครองสิบหกตำบลพอลูกโตขึ้นมาก็ช่วยรับภาระพ่อวันๆก็มีแต่กองทุกข์ทุกข์จากคนนั้นทุกข์จากคนนี้คนนั้นไม่ดีคนนี้ดีคนนั้น ถูกต้องคนนี้ไม่ถูกต้องคนนั้นออกนอกลูก่นอกทางคนนั้นผิดระเบียบผิดระบบวันวั น, วนหนึ่งนั่งได้รับความทุกข์ใจจากคนอื่นนั้นคนนั้นทําให้คิดให้ต้องได้คิดตามให้ต้องได้นึกตามให้ต้องได้พูดให้ต้องได้บอกปากปากแฉะปากเปียกโอ้โยทําไมเราต้องมาคอยนั่งรับทุกข์จากคนอื่นอย่างนี้อ่อ่าก็เลย สละทิ้งเลยแหละภากันออกบวชทั้งผัวทั้งเมีย น, นั่นแหละวันที่ถูกต้องถูกถูกเนื้อต้องตัวกันก็คือโกนให้กันว่างั้นได้ยินว่ากันในตำนานก็ว่าโกนให้กันต่างคนต่างโกนให้กันหลังจากโกนเสร็จแล้วนี่ก็ดูมันยังไม่ทราบเลยว่าพระพุทธเจ้าบัตรในโลกหรื อ, อยังไงได้ยินว่าอ่าอธิษฐานถือเพศเป็นบันไปชิดต่อพระอรหันในโลกว่างั้นนะ เดินไปเดินไปเดินไปด้วยกันสละสมบัติทิ้งหมดเดินไปด้วยกันไปถึงทางแยกสองแพร่งคนหนึ่งก็ไปทางหนึ่งคนหนึ่งก็ไปทางหนึ่งพระมหากคสกศปก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่ประหบุตรติโรดพุทธเจ้าสอนแล้วก็ให้บันให้บวช ด, ด้วยให้บวช ด, ด้วย โอวาดสามหรือสีข้อเนี่ยประมาคัส ป, ปัตินางพัฒกาปีลานีก็แยกไปอีกข้างหนึ่งแยกไปก็ไปเจอพิสุณีพอดีได้บวชเป็นพิษุณีนี่เราพูดในสมัยนั้นใ น, ในยุคนั้ น, นท่านพูดอยู่บ่อยว่าสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกมาเกิดพอมาเกิดแล้วไม่มีความกำนัดไม่มีความยินดีเพราะพวกพรหมพวกพรหมเขาไม่กำนัดเขาไม่ยินดี แต่อายุยืดยาวมากว่าจะม า, าบัตในโลกมนุษย์อีกนี่คืออะไรพลังดึงดูดของโลกกับพลังดึงดูดที่เป็นรูปวัตถุกับพลังดึงดูดที่เป็นนามนธรรมเราดูเราเทียบเคียงกันดูเมื่อกี้หลวงตาท่านเทศเรื่องโลกดึงดูดโลกดึงดูดกามทั้งหลายทั้งปวง ครองโลกตัวกามตัวนี้แหละมันดึงดูดให้เรามามาเกิดในโลกเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านถึงว่าท่านไม่มาเกิดในโลกมนุษย์ถ้าเผื่อในตอนขณะที่ท่านตายจิตดวงนั้นเนี่ยถึงขั้นเป็นพระอนาคามีจะไม่มาเกิดในโลกมนุษย์อีกอนาคามีอนาคานาคามีแปล ว, ว่าไม่กลับมาอีกอนาคามี ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกไปบำเพ็ญอยู่นั่นแหละอยู่ในโลกของพรหมโลกเนะ่ในพรหมชั้นสุดทาวาดที่าเรียกว่าสุดท้าวาดพรหมโลกเป็นโลกของผู้บริสุทธิ์เป็นชั้นพรหมพระพรหมที่บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามแล้วบำเพ็ญอรารัตธรรมเจริญอรารัตมรรมอยู่นั่นแหละ แกกล้าไปเรื่อยแกกล้าไปเรื่อยแก่กล้าไปเรื่อยนะแก่กล้าไปเรื่อยแกกล้าไปเรื่อยแกกล้าไปเรื่อยอะไรนะพระพรหมห้าห้าห้าห้าห้าชั้นน่ะนะพระพรหมอะไรนะอ่าอวิหาอตตปาอวิหาอตตปาะ ชั้นอวิหารชั้นอัตตปป า, า, า, าสุทัสสสสุัีอกิัคนิฐ า, าพระพรหมเหล่านั้นที่เป็นพระอนาคามีไปเกิดบางคนก็ได้จัดสรู้เป็นพระอรหันต์ภายในกึ่งหนึ่งของอายุบางค น, ก, งงคน ก, ก, งก็บางคนก็กึ่งแรกบางคนก็กึ่งปลายได้เป็นพระอรหันต์แล้ว อ่าถ้ายังถ้ายังถ้ายังไม่สุดจากอวิหะก็ขยับไปอตัตตาปาขยับไปสุทัศขยับไปสุทัศสีแล้วก็พอไปถึงขั้นสุดท้ายก็อากานิฐาอค า, านิฐาไม่เป็นน้องใครละไม่เป็นน้องใครใคล้ายๆก็ว่าเหมือนผลไม้ที่มันสุกงอมนะ่ะแ่ะมันคอยจะจะหลุดจะร่วงนั่นแหละ คอยแต่จะหลุดจะร่วงถูกลมก็หลุดร่วงไม่ถูกลมก็หลุดร่วงพอไปถึงแล้วมันเหมือนไม้มันเหมือนผลไม้สุกงอมอยแต่จะหลุดจะร่วงหลุดร่วงจากคั่วคั่วคืออะไรคืออวิชชาอาวิชชาเป็นยอดอวิชชาเป็นคั่วเป็นขั่วถ้่เราจะเทียบเหมือนขั่วของผลไม้อะา ถูกลมหรือถูกเขยา่าหรือไม่ถูกลมหรือไม่ถูกเขยา่าคอยแต่จะหลุดจะร่วงอวิชชาหลุดร่วงจากขั้วของอวิชชาเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดที่ยังมีอำนาจกามะตันหาอยู่จะต้องคล้องอยู่ในโลกโลกต้องดึงดูดในโลกภายในนะ โลกภายในพลังของตัณหาเนี่ยแหละมันดึงดูดพลังพลังของตัณหาไม่ใช่เราพูดอย่างล ม, ลมลงๆแรงๆตัณหาก็คือความอยากในหัวใจเราย้อนเข้าไปดูความอยากในหัวใจของเราทีบางทีกายมันอยากมันทําให้ใจกําเริบอยากบางทีใจมันกําเริบความอยากมันก็ส่งไปถึงกายทําให้กายกําเริบด้วยความอยาก อยากอะไรอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสมันอยากในสิ่งเหล่านี้แหละนี่คือวงจรของมันรูปเป็นรูปวัตถุกลามเสียงก็เป็นวัตถุนะกลิ่นก็เป็นวัตถุรสก็เป็นวัตถุสัมผัสก็เป็นวัตถุวัตถุทั้งหลายทั้งปเหล่านี้ท่านเรียกว่าวัตถุกลามวัตถุกาม ด้วยเหตุที่จิตใจของเรามีกิเลสเป็นเหตุใครวัตถุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันจึงเป็นวัตถุที่น่าใคร่คาว่าใคร่ก็คืออะไรเราดูไปเวลามันเกิดความใคร่ที่ฉันเรียกว่ารักใคร่รักใคร่ความใคร่มาจากความรักความชอบใจความพอใจธรรมะเหล่านี้มันสัมผัสสัมพันธ์กันไปหมดเราอยู่ที่ว่าเราเอาผู้รู้ของเราหย่อนไปตรงไหนมันจะ ติดกันพืชเป็นร่างแหไปหมดละมันมาจากจอมแห่ของมันคือเจ้าอวิชชานั่นแหละเจ้าตันหานั่นนี่คือกามประเภทวัตถุกามยอดของกามก็คือกามราคะนี่ท่านว่ายอดของกามเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านหลุดออกจากขั้วของกามได้พระอนาคามี ท่านหลุดออกจากขั้วของกามได้ท่านจึงไม่มีพลังดึงดูดมาเกิดในโลกอีกหลุดจากขั้วของกามได้ยังเหลือแต่พูดูยังเหลือแต่อวิชชาความหลงผายจิตหลงหลงยึดที่ต้องเรียกว่ารูปปาราคะรู ป, ปราคะมานะ อวิชฌาเป็นอันเดียวกันนะทั้งหมดเนี่ยทะเยะทะกิริยาก็เป็นรูปปรารภะก็อวิชฌานอนพาติให้รูปรูปปนิมิตรอรู ป, ปราคะคืออรูปปนิมิตร ก, กุ จ, จักจักขุท จ, จะัะไม่ใช่อุท จ, จักกุ จ, จะนะ อุทธจัจจะเฉยๆไม่ใช่กุกุฏจะฟุ้งสรรําคาญเหมือนลงตาท่นานว่าเนี่ยจิตมันหมุนหมุนหมุนหมุ น, ม น, ม น, ม น, มนจนปรุงจนฟุ้งแต่มันฟุ้งแบบฟุ้งอยู่ในในอารมณ์ของงานเป็นอุทธจัจจะแต่มันไม่ใช่กุกุฏจพะพวกเรายังไม่ถึงขั้นนั้นพวกเรามีอุทธจัทธจะกุกุฏจะซึ่งเป็นนิวรณ์ เป็นิวร์ปิดกัน้นแม้แต่แม้แต่ความสงบมันก็สงบไม่ได้เมื่อมีอุทจจะกุกุจจะจิตฟุ้งซ่านรําคาญจิตสงบไม่ได้แต่อารมณ์ของพระอนาคามีนั้นท่านมีกุกกุจจะคือฟุง้งคือฟุ้งซ่านคือฟุ้งซ่านคือจิตมันหมุนอยู่กับงานลุนงตาทันเทศจิตหมุนอยู่กับงานเป็นมหามหาสติมหาปัญญาที่ทันเทิน เป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาจิตฟุ้งอยู่กับงานเมื่อสิ่งเหล่านี้ยังไม่หลุดออกไปออกไปหมดมานะมันก็มีมานะความถือตัวความถือตัวมันเป็นเรื่องที่ละเอียดที่สุดความถือตัวเพราะฉะนั้นที่พวกเราถือถือกันเนี่ยไม่พ้นไปจากภาวะความถือตัวแม้แต่ แม้แต่เรื่องเดียวไม่มีเว้นถือตัวเพราะความความถือตัวมันเป็นเรื่องละเอียดตนดีกว่าเขาตนเลวกว่าเขาตนเสมอเข า, เามันมีสามอย่างนี่แหละเป็นข้อเทียบเคียงตนดีกว่าเขาสำคัญว่าคาว่าสำคัญะคือมันมันขึ้นในตัวเองเอยเราเนี่แหละดีกว่า ทั้งน้นตัวเองดีกว่าอยู่แล้วเนี่ยสำคัญว่าดีกว่าเขาคือแทนที่แทนที่จะแทนที่จะรู้เฉพา ะ, ะเฉพาะแทนที่จะรู้เฉพาะสภาวะธรรมนั้นแต่มันกลับเอาไปเทียบกับเขาตนดีกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาตนเร็วกว่าเขา ตนดีกว่าเขาสําคัญว่าเร็วกว่าเขาแน่ดีกว่าเขาแต่สําคัญว่าจอคอนี่เรวกว่าเขาดีกว่าเขาสําคัญว่าเจาของเนี่ยเสมอเสมอเขามันเอาไปเทียบมันเอาไปเทียบข้างนอกอันนี้ข้อข้อหนึ่งรอบหนึ่งแล้วนะตนดีกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาดีกว่าเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขายึด เดินในทางเร็วเร็วกว่าเขาคิดว่าจะของเร็วเขาดีกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาอันนี้รอบหนึ่งอีกอีกรอบหนึ่งก็คือตนเร็วกว่าเขาสําคัญว่าเร็วกว่าเขาเนี่ยเอาไปเทียบเขาทั้งที่เร็วกว่าเขายังคิดแม้แม้แต่จะคิดว่าจะของว่าเร็วกว่าเขานี่ก็คือเอาไปเทียบตอนเร็วกว่าเขาสํําะสาคัญว่าดีกว่าเขาเอาไปเทียบ ตนเร็วกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาอันนี้คือรอบที่สองรอบที่ว่าเรวกว่าเขาอารอบที่ 3. สามเสมอเขาต้นเสมอเขาสําคัญว่าเสมอเขานี่ก็ผิดอีกอมันยังมีมันยังมีม ย, มยูนิตหน่อยนนะั่นแหละไอ้กิเลสตัวถือตัวอยู่นั่นนะ่ะมีมีนิดหน่อยยนะ่นั้นตัวเรวตัวเสมอเขาสําคัญว่าเสมอเขาตัวเสมอเขาสําคัญว่าเรวกว่าเขา ตัวเสมอเขาสำคัญว่าดีกว่าเขาไปดูท่านพูดเอาไว้สามอย่างสามวาระนี่แหละเพราะฉะนั้นเอามาเทียบเคียงกับพวกเราในเมื่อวาระอวิชชาที่มันมีครอบคลุมอยู่ในหัวใจของเรามันแสดงวาระตั้งก้าวาระนี้ขึ้นมาให้กับพวกเราถ้าเผ่พวกเราเป็นพวกเราเป็นปุถุชนมันไม่มีวาระจิตวาระใดที่จะไม่มีการถือตัว นอกจากมันจะถือจนยกตนขม่มท่านเห็นจงแจ้งท่านหูท่านต า, นานแต่ภายในจิตเนี่ยภายในจิตมันจะมีเป็นพื้นเป็นพืชของมันอันนี้มันจะหมดได้ต่อเมื่อนุ่นหมดกิเลสเบื้องบนหมดมานะแล้วก็หมดอวิชชานน่นอ่ะมันถึงจะหมดมันมีอวิชชาเป็นขั้วอยู่ตราบใดที่มันหลุดออกจากขั้ววิชชาสิ่งเหล่านี้มันก็ร่วงไปหมด เมือนพระอนาคามีที่ท่านเป็นอัคณิฐากณิษฐ า, า, านแะปลว่าไม่เป็นน้องใครกณิษฐาไม่เป็นน้องใครนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงพลังดึงดูดของโลกคือแม่เหล็กของโลกของพระอาทิตย์พลังดึงดูดของธรรมภายในหัวใจของเราให้ติดค้างอยู่ในโลกก็คือพลังของกิเลส ตราบใดที่ยังมีธรรมน้อยกว่ากิเลสกิเลสก็ดูดมาดูดมาดูดมาดูดมาแม้แต่ระดับพระอนาคามีมันก็ยังมีพลังของกิเลส ท, ที่ยังเหนือกว่าต้องตอกอนกันระยะเวลานานว่าจะเล่เรื่องกันเป็นพลังของกิเลส ท, ที่มันดึงดูดให้เราเป็นธรรมทั้งแท่งยังไม่ได้ธรรมมีอยู่เป็นส่วนเป็นส่วนเป็นเสียงเป็นเสียงแต่ยังเป็นทั้งแท่งยังไม่ได้ หลุดจากขั้ววิชชาเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นธรรมทั้งแท่งผลทุกผลโทษตราบใดที่แม้แต่พบชาติที่เป็นพระอนาคามีเราไป อ, อบัติในภพของความเป็นพระอนาคามีพระพุทธเจ้าท่านก็ยังส่งตำหนิขึ้นชื่อว่าพบแม้แต่ถึงจะเป็นพพที่ละเอียดถึงขนาดนั้นก็ตามมันก็ยังมีกองทุกข์อยู่ในนั้นแหละมันยังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นแหละ มันยังไม่เที่ยงผ่านสิ่งเหล่านี้ไปหมดจิตจิงเที่ยงหลวงตาท่านว่าจิตเที่ยงคขาว่าจิตเที่ยงก็คือจิตไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องจิตที่ยังมีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องจะเที่ยงไม่ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะสังขารคือส่วนประกอบตราบใดที่มีส่วนประกอบจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละการไม่คงที่นั่นแหละคือทุกขัง เปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังมันก็อยู่อยู่ในการบังคับบัญชาของตัวเองยังไม่ได้อยู่ดีแต่พอพ้นภาวะเหล่านี้ไปได้แล้วหมดสังขารเป็นวิสังขารเมือ่อเมื่อหมดสังขารแล้วหมดภาวะที่เป็นหมดภาวะที่ว่าไม่คงที่หมดภาวะที่ว่าต้องเปลี่ยนไปหมดภาวะที่ว่า เป็นเหตุจะต้องบังคับมันใช้เป็นไปตามใจหวังอย่างนั้นใจหวังอย่างนี้พ้นจากความเป็นอนัตตาหมดกิริยาอาการของสามัญลักษณะทั้ง3โดยชิ้นเชิง น, นี่เราพูดเทียบเคียงถึงพลังดึงดูดของโลกพลังดึงดูดของธรรมภายในจิตของเราก็มีกระแสะของกิเลสมันดึงดูดให้เราติดค้างอยู่ในโลกโลกถูกสิ่งทั้งหลายดึงดูด ท่านบอกว่าวัตถุทั้งหลายบนโลกเนี่ยมีน้ําหนักเพราะอะไรเพราะมันถูกโลกดึงดูดของเบามันก็ดูดน้อยของหนักหนักเท่าไหร่มื่อยิ่งดูดมากยิ่งเนื้อในตัวเนื้อของมันละเอียดมากขนาดไหนมันก็ยิ่งมีน้ําหนักโลกก็ดูดมากเช่นอย่างอะไรเช่นอย่างเล็กเนี้ยเล็กเอ้ยตะกั่วเอ้ยเนื้อมันละเอียดเนี่ย มาเนื้อเป็นที่เป็นไม้ไม้เนื้อละเอียดไม้เนื้อตันไม้เนื้อพุนไม้เนื้อโปรง่งเขเบาขึ้นมาเบาขึ้นมาอย่างไม้ไผ่เนี่ยเขาเบาขึ้นมาเบาขึ้นมามนอาา ม, ามาถึงอะไรมาถึงสัมฤีอ่ามาถึงนุ่นเนี่ยเนื้อมันปรง่งโปรงนันแปลว่เาเบาเราเทียบเคียงอย่างนี้สิ่งที่เป็นเนื้อตันตันนะ่ะนั่นแหละโลกมันก็ดึงดูดมากไปยกก้อนหินดูดิยกก้อนหินเท่ากันกันกบยกก้อนไม้ เท่ากันมันมันหนักไม่เท่ากันน้ำหนักมันแตกต่างกันนี่คือโลกมันดึงดูดอืเราย่อยละเอียดเข้ามาอีกพลังดึงดูดของโลกชิ้นยังแม่เหล็กแม่เหล็กมันดึงดูดเหล็กชิ้นเล็กแล้วก็ไปดึงออกออกง่ายเพราะเพราะแรงมันเล็ก ลองเอาชิ้นใหญ่ๆไปใส่มันดูเราดึงแทบไม่ออกอะแม่เหล็กมันดูดแรงยิ่งใหญ่ทะะ่ามกลางยิ่งดูดแรงแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยจึงเกาะกลุมอยู่กับโลกถูกโลกดึงดูดวัตถุบนโลกแต่ถ้าเลยขอบเขตไปแล้วที่เรียกว่าสุญยากาศนั่นแหะโลกมันไม่ดึงดูดแล้วลอยเพ่งคว้างอยู่บนนุ่นเคยเรียนวิทยาศาสตร์เราจะรู้และ ลอยเคล้งคว้างทุกอย่างหมดพลังดึงดูดของโลกลอยไม่มีจมดิ่งวางอะไรก็ลอยอยู่นั่นแหะเมือ่อของไม่มีน้ําหนักเพราะมันไม่มีแรงดูดพระจิตของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าของพระสงฆ์สาวกพระอริยะสาวกหมดพลังดึงดูดกิเลสหมดกิเลสหมดพลังดึงดูดให้ติดค้างอยู่ในโลก เป็นธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งนุ่นไม่ต้องล่องลอยไปไหนไม่ต้องตกค้างอยู่ที่ไหนไม่มีที่จำกัดไม่มีเวลาจำกัดดำรงตนอยู่ในภาวะแบบนั้นตลอดอนันตการความทุกแ ม, ม่แม็เหินเม็ดทรายเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้นั่นแหละเป็นยอดปรารถนาของเราทุกคนเกตลาบเรื่องความทุกเรื่องกองทุกไปโผลที่ไหนคือกองทุกไปโล ไปเกิดเป็นสัตว์ก็คือกองทุกไปเกิดก ไ, ปไปเกิดเป็นมนุษย์ก็คือกองทุกไปเกิดไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอินชั้นพรหมก็คือกองทุกไปเกิดกองทุกไปโผล่ระบายไปเกิดก็คือกองทุกไปเกิดกองทุกไปโผล่ไปโผล่ที่นู่นไปโผล่ที่นี่ไปที่ภพชาติที่มีแต่เสวยทุกก็หนุนภพชาติในอบายนะก็ไปที่ตั้งแต่เวจีมหานรก แบกหามกองทุกทั้งวันทั้งคืนทุกขณะของจิตก็แล้วกันแหละด้วยแรงกรรมชั่วช้าลามุกที่เจ้าของไม่เคยสํารวมระมัดระวังสุขสบายหน่อยโลกมนุษย์เทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นหกชั้นสวรรค์หกชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นกับมนุษย์เนี่ยพอมีความสุขบ้างมนุษย์ก็เป็นผู้มีสติปัญญาก็พอ จะแสวหาความสุขอยู่บ้างถึงขนาด น, นั้นก็ตามมนุษย์เราก็มีความสุขไม่เท่ากันเพราะบุญสร้างสมบุกสมบรณมาไม่เท่ากันบางคนก็สักเท่าไหร่เป็นมนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยอ อ, อดแอดแอดอยู่จะเป็นจะตายแลอยู่ยงั้นแหละเป็นก็ไมเปลี่ยนตายก็ไม่ตายอยู่อย่างงั้นแหละทุกทรมานอยู่อย่างงั้นแหละกรรมมันเล่นงานกรรมเล่นงานบางคนก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ บางคนอยากเกิดเขาก็ไม่ให้เกิดเขาก็ไปรีดออกเงี้ยนั่นนะหาไปเกิดกัใครโดนเขารีดออกเกิดะไรใครโดนเขารีดออกกันนะกรรมเกิดถึงมาแล้วจะโตขึ้นมาก็ไม่ได้เ ข, เขาไม่ให้เกิดสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่น่ากลัวมากเลยสังคมที่อิสระเสรีโลกเสรีมันไม่เสรี เฉพาะความเป็นอยู่สะดวกสบายมันเสรีเรื่องของกล่ำใช่ไหมสิ่งเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องออกหน้าออกตาสังคมอยู่ทุกอยางลําบากมีความทุกข์มาครอบคลุมครอบงําตั้งแต่ตัวเล็กๆต้องรับภาระต้องอะไรต่ออะไรสารพัดเนเพราะความอิสระ ขาดทำขาดศีลขาดทำขาดความประมัดระวังความอยากกระสิบกระซาบเรื่องอะไรหลวมตัวให้มันกระสิบกระซาบเรื่องวัตถุ ก, กามแสวงหาให้กับมันมันกระสิบกระซาบเรื่องกามราคาแสวงหาให้มันป้อนให้มันป้อนมันให้มันสมอยากงับเข้าไปแล้วนะ่ะเยือ เยื่อมันไม่เจอเหยื่อทีมันเจอเบ็ดนั่นเกาะมัดตรึงอยู่อย่างนั้นแหละท่านยึงว่าเกิดที่ไหนโปล่ที่ไหนคือกองทุกเกิดเราพิจารณาเห็นกองทุกเบื่อนายในกองทุกถ้าไม่เห็นไม่เบื่อหนายแล้วก็เวล่ำเวลาเอาไปทะลุงเล่นหมดหละไม่เสียได้หละโอกาสที่จะมาพุทโธพุทโธพุทโธก็ไม่สน โอกาสที่จะมาดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้จักตัวเองอยู่บ้างให้เกิดสติให้เกิดปัญญาขึ้นมาไม่สนมันดึงออกหมดกิเลมันสะบัดทิ้งหมดร่วงไปหมดไม่มีอะไรเหลือดูให้เห็นโทษให้เห็นโทษของความทุกข์เราจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ของสินของธรรมของเวลามาเวลาสถานที่และ ตัวเองอายุไขของตัวเองอ้าวเอวังเอาข้อนี้ใส่ซะข้อนีส้สัเอาพวกนั่นกลับซะ สัมมาทัตวะอรหัตวะสัมมาสัมพุทธัสสะ โอภาคังปฏิรูปังภาษาดีเกนสัมปาเดธา อาชะติกีรนิเตโรไม่ังหารอาห์มบิเดรสราาโอาชะติกีรนิเตโรไมรังหารุอาห์ a บิดเดรสราพาโรอาชาต r กีรนิเโรไม่ังหารอาหบิเดรสรา น, น, นะ น, นิสัยไม่ขาดนะิสัยไม่ขาดมีสามอย่างนะอย่างหนึ่ ง, น, ง, น, ง, น, งนิสัยไม่ขาดในอย่างหนึ่งอ่าหนึ่งในระหว่างเดินทางนิสัยไม่ขาดในระหว่างเดินทางนิสัยไม่ขาดสองเป็นผู้ป่วย และเป็นคีลานุปัฏฐาคือผู้ดูแลผู้ป่วยนิสัยไม่ขาดสองอย่างอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะอะอีกอย่างหนึ่งคืออะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือออกเที่ยววิเวกไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่จะให้นิสัยนิสัยไม่ขาดเราจะมาไว อย่างที่เราต้องขอเนี่เพราะว่าเราไปข้างคืนที่อื่นกลับมาเนี่ยนิสัยพวกเรากับอาจารย์ถือว่าขาดแต่ถ้าเป็นพระอุปัชยยะไม่ขาดเพราะพระอุปัชยยะเจอหน้ากันทีไรเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นนิสัยโดยโดยโด ย, โดยธรรมชาติไปเลยไม่ต้องขอข่าวที่แล้วในพระน้อยเนี่ยพระน้อยเชื่ออะไรเนะ่ยไปอยู่กับฉันวางไปวอนไปเวียน เถียงกับอาจารย์ว่างขอนื้อใสอาจาร์วางก็พูดแบบโอ๊ยลูกศิษย์เห่าเนาะมันไม่รู้เรื่องมันไปเที่ยวไล่ต้อนขอเนื้อใสก็อาจารยหว่างเป็นอุปชาอุปชายะนี่ในเมื่อเราไปเจอหน้าท่านที่ไรเมื่อไรเพราะฉะนั้นเช่นอย่างพวกเราเจอเจอหน้าอาจารย์วางเนี่ย นิสัยอาจา ร, รย์นี่ขาดนะจะต้องมาขอนะเนี่ยสมัยอาจารย์วางมานี้ปั๊บเนี่ยคนที่เป็นอุปชายอาจารย์วางเนี่ยอาจารย์วางเป็นอุปชายญาณเนี่ยคนนั้นนินนสยันนสยขาดอันนี้ตามหลักปริยตรัติเขาตีความว่านิสัยขาดอ่านิสัยขาดต้องมาขอกับอาจา ร, รย์ใหม่นี่ผมเป็นอาจา ร, รย์เนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยนิสัยไม่ไม่เหมือนธรรมชาติพ้จะว่าก็เหมือนเป็นผู้ปกครอง ที่ไม่ใช่สายเลือดหวังงั้นเถอะอ่ามันไม่มันไม่ใช่มันเหมือนไม่เหมือ น, อนลูกในสายเลือดอะไม่เหมือนลูกในสายเลือดคือมันไม่มีสายเลือดถ้าเป็นพระอุปัชฌายะท่านถือว่าสายเลือดพอเจอหน้ากาันทีไรเมื่อไหรก็เป็นนิสัยโดยอัตโนมัติอันนี้ถ้าขาดต้องขอถ้าขาดต้องขอทอดธุระปรับอบัติคําว่าทอดธุระคือไม่สนควรขอแล้วไม่ขอมีเวลาขอแล้วไม่ขอ ท่านปรับรบัตรถ้าเราถือตามโดยตรงตามวินัยเนี่ยอายุเกินห้าพรรษาท่านถือว่านิสัยมุตตกะแต่ภาคปฏิบัติเราไปอยู่บ้านตาเนี่ยหลงตาท่านให้ถือหมดคำว่านิสยัยนิสยัยแปลว่าขอพึ่งพิงขอพึ่งพิงด้วยความเป็นอยู่ขอพึ่งพิงอัดทมท่านตีความหมายไปอย่างนี้ แม้แต่ลุงปุรีอยู่กับท่านท่านก็ท่างให้ขออะปุรีเอาด้วยลุงอะธรรมรีเอาด้วยแล้วเออเอาอะเป็นธรรมอยู่เนี่ยท่านให้ขอหมดเพราะฉะนั้นรรษาเท่าไรก็ตามถ้าภาษาน้อยกว่าท่านเนี่ยขอข อ, นนยขอหมดทั้งวันนี่แหละขอหมดทั้งวันแต่ถ้าเราจะถือตามวิ น, นัยไม่ท่านถือว่าห้าภาษาเอาตัวรอดโดยวิ น, นัยแต่ธรรมะ เราเ อ, อย่างตัวไม่รอดถูกโดยวินัยแต่ยังไม่โดยธรรมหลวงป่าหลวงตาท่านพาถือทั้งทำทั้งวินยัยคือวินัยเนี่ยโอเควินยัยอ่าเป็นวินัยมุตตะกัพ้นจากสื่อนิสัยข้อจริงอยู่แต่ว่าภาคธรรมะที่อบรมเนี่ยเป็นพระสกิทาคาเป็นพระนาคแกเป็นพระอารหันต์อะไรคือทางปฏิบัติเพื่อเบื้องสูงขึ้นไปอะไรเนี่ยมันยังต้องไออาศัยอาจารย์ ท่านจึงให้เพราะฉะนั้นท่านท่านคิดในแง่นี้ท่านถือว่าเป็นธรรมรให้เราก็อนุโลมถือไปตามนั้นแหละนี่แล้วก็การการถือนิสัยก็ถือว่าเป็นการบอกการสอนกันได้ถือว่าเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันบอกกันสอนกันอะไรการฟังกันอะไรการเราก็อยู่เราก็อยู่กันโดยวิธีอย่างนี้โดยความเกี่ยวข้องกันนี้ หมูเพื่อนก็อยากเอาเวลาไปทลุงเล่นจนเกินไปอันไหนคือประโยชน์ให้ทำเนอะอันไหนคือประโยชน์ให้ทำหมู่เพื่อนไหนองค์ไหนที่ไม่อดอาหารนั่นน่ะออกมาฉันเนี่ยออกมาฉันแล้วก็ยังจะไปวุ่นๆแอ่ตรงน้ําตรงนั้นน่ะมาช่องนู้นมาช่องนี้มาช่องอะไรตร่วอะไรแล้วผมเคยบอกวันไหนที่เราออกมาฉันเนี่ยเราก็งดได้เราเว้นได้เราก็เว้น ไม่ใช่เราเคยฉันยังไงเราก็ฉันอย่างงั้นนะสำหรับผู้อดข้าวไม่ออกมาฉันนี่เพรวมันอดล่นทนไม่ไหวจริงๆรง่รางกายอ่อนเพลียมากจริงๆริงม า, าบ้างมันก็ยังพอนอนลมแต่ถ้าร่างกายสุขสบายแล้วตอนที่เราไปเกี่ยวข้องมากๆมันหุ่นดูเราดูเถอะมันหุ่นอะ่ะ บางคนก็ถือเป็นเรื่องอย่างนั้นไปตลอดเลยไม่ถูกเข้ามาใหม่เราก็อนุโลมไปอย่าลืมว่าคนใหม่กับคนเก่าเนี่ยคนใหม่ก็ยังจะต้องอนุโลมเพราะอนุโลมไปมก็ยึดถือตลอดไปอย่า ง, งา น, นั้นอ่ะมันไม่ถูก<ม>ก็ไปพิพพพพจารณากับแล้วกันะก็ประโยชน์ก็ให้ทำเราทำแล้วไม่ใช่วันจะศูนย์เปล่า ตอนยู่กรมก็ไปเดินไปอย่าไปนั่งคุยกันเล่นให้เสียเวลาให้ผมเห็นเถอะผมไม่อยากเห็นเลยนะผมเนี่ยมีเวลาไปเดินไปนั่งไปอะไรไปดูหนังสือไปแล้วก็หามุมสงบหาที่หลบไปดูไปทําแล้วก็ไปใช้ห้องไปใช้ห้องสมุดก็ใ ห, ให้ให้ดูแลรักษาด้วยนะนี่วันนี้ใครไปเปิดอ่าจังปางไม่ปิดเลยเนี่ตอนฝนกําลังตกเนี่ยทำไมไม่ปิดอ แล้วก็ถ้าเข้าไปใช้แล้วไปหมุนเปิดให้ล ม, มเข้าแล้วเนี่ยเวลาออกมาต้องปิดเพราะมันชื้นถ้าความชื้นในเกาะอะไรจะยากแหละชื้นความชื้นมันเย็นแล้วไปเกาะหนังสือไปเกาะ อ, อะไรมันไปยุ่งเข้าไปใช้สอยก็ดูแลด้วยรักษาด้วยบางคนตั้งแต่เข้าไปเคยดูเคยถูเคยนุ่นเคยนี่เคยอะไรไหม ความสะอาดทำลายให้มันบ้างเราอาศัยมันมันต้องอาศัยเราของทุกอย่างที่อยู่ในวัดเนี่ยเราอาศัยมันมันก็ต้องอาศัยเราอย่าลืมตัวอันนี้คือคื อ, คอไม่ลืมตัวอย่างหนึ่งเราอยู่คดแบบผู้ใหญ่อะไม่จำเป็นต้องต้องบอกต้องเตือนต้องอะไรกันบ่อยอยู่กันบ่อยผู้ใหญ่ เราเราต้องโตไม่ใช่อยู่มาเท่าไหร่แล้วก็ไม่โตไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองไม่รู้จักปรับอัธยาศัยให้มันดีขึ้นไม่รู้จักไม่รู้จักเพิ่มเกรดเพิ่มดีกรีความระมัดระวังความสา่งพยายามความภาคความเพียรอะไรให้กับตัวเองให้ดีขึ้นมันเพิ่มขึ้นใน่งั้นลืมตัว ไม่ลืมตัวก็ดูไปที่พุโทโธพุโทโธพุโทโธดูไปที่ลมหายใจหายใจในขณะใดที่พุโทโธก็ไม่อยู่ลมหายใจก็ไม่ดูนะลืมตัวแล้วระวังให้ดีขาดสติขาดสัมผชัญยานแล้วนึกเรื่อยปุยล่องลอยไปตามเรื่องอเอาเลิก